อะไรมีเข้ามาต้องการอะไรเลยดิคาอยากจะพูดอะไรไหมคำถามอะไรก็ไม่มีอะไรทิ้งแท้เนี่ยนอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนใจของทุกอย่างที่เราใช้ยอยู่นี่มันก็มันก็ไม่ สามารถที่จะใช้ได้ตล อ, เอเดเวลาเลี้ยงก็ต้องเสียบ้างเดี๋ยงก็ต้องพังเดี๋ยงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ว่าไปตามความจริงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความจริงแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเออ ถ้ามันจะดับ ก, ก็ให้มันดับไปสิ่งที่เราไม่ชอบถ้ามันจะมาก็ให้มันมาอย่าไปอยู่บนพื้นฐานของความอยากเราต้องการอยากได้สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็ไม่อยากให้มันมาแต่ความจริงโลกนี้มันเป็นโลกของการเปลี่ยนไปเป็นมาเปลี่ยนไปในทางดีก็มี เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็มีเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นเมอนดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่าตอนนี้หน้าาแล้วนะเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นาร้อนเดี๋ยวก็นาฝน เดี๋ยววันนี้ตอนนี้เป็นตอนกลวันเดี๋ยวก็เป็นตอนกลางคืนถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเราไม่ค่อยเดือดร้อนถ้าเรามองทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติแต่เราไปแยกบางอย่างไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นธรรมชาติเราไปคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้สัางได้จัดการได้เปลี่ยนแปลงได้แต่บางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ <c oughs> เวลาทำไม่ได้มันก็จะทำให้เรากกทุกข์กันทุกข์เพราะไม่ได้ทังใจอยากความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์กันอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะไปจัดการมันได้ควบคุมบังคับมันได้ เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราหม่ให้เราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าบนอยู่บนพื้นฐานของความอยากถ้าเป็นความอยากก็ต้องระวังว่ามันอยู่ในขอบเขตของความสามารถที่เราสามารถทาให้มันเป็นไปได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ลองหาดูลองทำดูถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็แสดงว่า ความจริงมันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ก็อยากไปฝืนมันยอมรับความจริงเสียแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นปลายทางความเป็นจริงนปัญหาของพวกเราก็คือเราไปหาสิ่ง ต, ต่างๆที่เป็นธรรมชาตินี้มาให้ความสุขกับเรา เราหาลูกเสียงเกียร์มาให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ว่ารูปเสียงเกียรถนี้เป็นธรรมชาติอนัตตาเลยนะว่าตามธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเรามักจะไปอยากจะควบคุมบังคับลูกเสียงเกียร์รอยากดูอยากฟังลูกเสียงที่เราต้องการ รูปเสียงที่เราไม่ต้องการก็ไม่อยากจะดูอยากจะฟังแต่บางทีเราก็ป้องกับมันไม่ได้รูปเสียงที่เราไม่อยากจะดูอยากจะฟังมันก็มาให้เราดูให้เราฟังรูปเสียงที่เราอยากจะดูมันก็ไม่มาหรือมาแล้วมันก็ไปเนี่ยปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่เราหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแทน้แน่นอน มันก็เลยไม่ได้เป็นความสุขที่ต่อเนื่องที่เที่งแท้แน่นอนมันก็เป็นความสุขที่เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างเดี๋ยวสุขก็หมดสุขหมดทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าตามได้เรายังหาความสุขจากสิ่งภายนอกใจเราอยู่นี่เราจะต้องเจอความทุกข์เสมอต้องเจอความผิดหวังเสมอ เพราะสิ่งต่างๆที่เราหานอกนอกจากนอกใจเรานี่มันมันมันไม่อยู่กับเราตลอดมันจะต้องมีการจากกันไปร่างกายของเรานี่ก็เป็นสมบัติอันแรกนอกใจที่เราหามาเราได้มากันเราได้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือ เพื有有่อเราจะได้หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อยากจะหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมีตาหูจมูกร่้นกายรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกร่้นกายมันก็ไม่เที่ยงร่างกายต่อไปหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงเกล็ดลบได้ก็ก<อ>ลายเป็นความทุกข์คเราจึงไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขได้แล้วเราก็ไม่ชอบความไม่เที่ยงของรูปเสียงเกล็ดลบเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่กับเราไปได้อะไรมา แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอยู่กับเราไปให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่สิ่งในต่ามที่เราได้มามันต้องเสืม่มของต่างๆที่เราซื้อมาเนี้ยเวาซื้อมาใหม่ๆมันก็ใช้งานได้เต็มที่แล้พอใช้ไปใช้ไปมันก็เริ่มเสื่อมเริมเสียเริ่มใช้การไม่ได้ ตราใดที่เรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากร่างทางผ่านทางร่างกายอย่างนี้เราจะไม่เราจะต้องพบกับความทุกสุอพบกับความเสื่องของความสุขที่เราหามาได้แล้วเราก็ต้องดินหามาใหม่มาทดแทนอย่างนี้ด mm hmm. เดี๋ยโทรศัพท์เครื่องนี้เสีย mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาเครื่องใหม่มา หาได้เคือหมายมาเดียวมันก็เสียใช้ไปสักพักเดียวมันก็เสียร่างกายเราก็เหมือนเงือถือเนี่ยเราได้ร่างกายมาเพื่อเราจะได้ใช้มงินหาลูกเสียงเกล็ดว่าหาสิ่งต่างๆที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีร่างกายเราหาไม่ได้หาเงินทองไม่ได้หายุบท้าตาแหน่งอะไรต่างๆไม่ได้ สามคนนั้นคนนี้มาเป็นแทนเราไม่ได้หนึ่งครอบครนําไม่ได้มันต้องมีของพวกนี้มีร่างกายแต่ร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวแต่เราเป็นของถาวรเรามีอายุยืนยาวนานด้วใจมันไม่ตายเหมือนร่างกายเหมือนกับร่างกายนี้มีอายุยืนยาวนานกว่าโทรศัพท์มดอถือ เราก็เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆเปลียนมือกีดเครื่องมันก็ต้องพบกับปัญหาพบกับปัญหาพบกับความทุกข์นี่คือปัญหาของพวกเราเราไปหาความสุขจากสิ่งที่มันเป็นความสุขชั่วคราวมันก็เลยทําให้เราทุกข์เวลามันหมดไป พระพุทธจเจ้าในทรงคนพบความสุขอกีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่เสือ่อมไม่หมดอะไความสุขนี้อยู่ข้างในอยู่ในใจเราอยู่ในตัวเราแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆน้ำหนักมันมากกว่ากันความสุขใจนี้มัน มันสุกมากกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกล่นลดจากรากลดสารเสรื่อเราก็เราสามารถรักษามันได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันแล้วรู้จักวิธีรักษามันแล้ ว, ว, ลลวเราก็จะสามารถรักษามันให้อยู่กับเราไปได้ตลอด <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าภาษาโลกเนี่ยท่านรักษ า, กาความสุข ภายในใจของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงรักษาโดยวิธีที่ไม่ไม่ต้องรักษาคือมันเป็นธรรมชาติของใจของความสุขใจอยู่แล้วที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า ถ, ถูกสิ่งหนึ่งมาคอยบดบังมันสิ่งที่มาบดบังความสุขใจของเราก็คือความอยากของเรานี่ พอเรยาความสุขใจมันก็จะถูกปวดบังเหมอนกับดูเหมือนกับแสงพระอาทิตย์หรือพระจานทร์ที้ถูกเมฆที่หนาทึบมามากั้นเอาไว้ก็เหมือนกับว่าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เวลาเมฆหนาหนามามาปวดบางลุกไปหมดนะความสุขของใจความสุขด้วยความสงบไหถ้าไม่มี ความอยากมาบทบางแล้วมันจะสงบอยู่ตลอดเวลาแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันก็จะถูกบังไปถูกกลบไปทำให้ใจเราไม่มีความสุขเร ม, มีความอยากเราใจเรารู้สึกหิวต้องการเหมือนคนขาดอะไรสักอย่า ง, งทีนี้เอาวิชาคือความหลงครูพามามรรู้ว่า วิธีที่จะให้เราได้ความสุขคือหยุดความอยากเราไม่รู้กันคือเราต้องกำจัดความอยากให้อย่าให้ความอยากมาบดบังความสุขของใจคือความสงบนล้เรากลับไปทำตามความอยากพอเวลาทำตามความอยากความอยากมันก็สงบตัวชั่วคราวเหมือนกับเมฆมันมันหายไปชั่วคราว พอเมฆหายไปแสงสว่างของโวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาเวลาเราอยากเราหงุดหิดลำพานใจเศร้าโศยห้อยเหยงาว่างเว่ยพอได้ทําตามความอยากก็ความอยากก็สงบตัวไปชั่วคราวความสุขก็เกิดขึ้นมาชั่วคราวอยากได้อะไรพอได้มาแล้วสบาย อ, อกสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใส แต่มันไม่นานเดี๋ยวความอยากมันก็มากกและความสุขที่ได้ที่ที่ได้จากการทำตามความอยากความอยากใหม่ก็มาโขกใหม่พอเกิดความอยากใหม่ความสุขนั้นก็ความสุขเก่าก็หายไปความหงุดหงิดลำคางใจความอะไรต่างๆไม่สบายใจต่างๆก็โผล่ขึ้นมา เราก็ไปทําตามความอยากนี่นะคือความหลงไม่รู้จักวิธีหาความสุขหรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนวิธีเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี่คือต้องฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากหวามอยากไปเดี๋ยวมันก็หมดกำลังเอง ปล่อยให้เมฆที่มันบางนี้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ถูกลมทัดหายไปอีกอย่าไปอย่าไปกําจัดความอยากด้วยการทําตามความอยากเพราะมันจะไม่หมดอยากมันจะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเราถึงต้องมา กำจักความอยากกันด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าสรงคนพบด้วยการภาวนาจิตตะภาวนาสมตะภาวนาวิปัสานาภาวนาสองวิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ ต้องมีทั้งสองสองวิธีนี้วิธีเดียวไม่ไม่สามารถที่จะทำได้วิปัสสนานี้จะทำได้ก็ต้องมีสมถะภาวนานำหน้าก่อนเป็นผู้นาก่อนถ้ามีแต่สมถะภาวนาไม่มีเรื่องวิปัสสนาภาวนาก็ไม่สามารถทำความอยากให้หมดไปได้อย่างเท้สาสมถะภาวนานี้ทำให้ความอยาก พักพักตัวชั่วคก่าพอกําลังของสมถะภาวนาอ่อนลงความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความอยากที่โผล่ขึ้นมาหลังจากที่ได้ถูกสมถะภาวนา <c oughs> <c oughs> กดเอาไว้แล้วก็ต้องใช้ปัญญาวิปัสนาภาวนาคือปัญญาวิปัสนาคือความ รู้ถึงวิธีกมจัดความอยากความอยากนี้ต้องใช้เหตุผลใช้ความจริงมาหยุดมันต้องรู้จักธรรมชาติของความอยากว่าความอยากมันจะหมดไปได้อย่างไรความอยากมันหมดไปได้เพราะเราไม่ไปทาตามความอยากหยุดเหมือนไฟนี่ไฟที่เราอกองไฟที่เราจุดนี่ ถ้าเราอยากจะให้กองไฟดับเราก็อย่าเราอย่กใส่ฟืนเข้าไปอย่าเติมฟืนเข้าไปถ้าเราเติมฟืนเข้าไปไฟมันก็จะติดไปเรื่อยๆมันจะไม่มีันดับถ้าอยากจะให้กองฟืนกองไฟนี้มันดับไปก็อย่าเติมฟืนเข้าไปเหลือฟืนเก่าที่มีอยู่มันก็ไห ม, ม้ไปพอมไม่มีฟืนแล้วไฟมันก็ดับเอง การทำตามความอยากนี่ยเหมือนกับทำการไปรักษาความอยากให้มันมีอยู่ไปเรื่อยกๆการไม่ทำตามความอยากนี่เป็นวิธีที่จะทําให้ความอยากมันหมดไปเดี๋ยวคนที่เขาต้องเลิกสูบบุหรี่เวลาสูบบุหรี่นี่ทุกครั้งมันต้องเกิดความอยากขึ้นมาก่อ น, นพอเกิดความอยากก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพอพอทาตามความอยากแล้ว เดี๋ยวความอยากใหม่ก็มาอีกสุกโมนี้แสรแล้วเดี๋ยววนใหม่ก็มามกในการตรงข้างถ้าเกิดความอยากสุกแ้วเลยเราไม่สุกแล้วเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมกกำลังไปอยากไม่กี่ครั้งเดียวถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหายไปคนเลี้ยงเล้าส่งผู้ให่ด้คนเลี้ยงเล้ากินเล้าได้ เลิกเที่ยวเลิกทำอะไรได้เพราะเขาไม่ทำตามความอยาแต่เวลาที่ฝืนเนี่ยมันจะทารามาใจถ้าไม่มีสมาธิมาช่วยมันมันทนไม่ไหวไม่มีความสงบไม่รู้จักวิธีทาใจให้สงบตอนที่มันทารามาใจมันจะทนไม่ไหวมันจะทำมันจะต้องเล่นกับไปทาตามความอยาแต่ถ้าเราทำสมาธิเป็น เอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ไม่ทาตามความอยากแล้วถ้ามันทรมารใจเราก็ทาใจให้สงบได้หยุดความทรมารใจได้แต่เราต้องรู้ว่าทำไมเราจะไม่ไม่ต้องทำไม่ควรทาตามความอยากเพราะความอยากมันจะนำไปสู่ความอยากไม่มีวันสิ้นสุดและจะนาให้ไปสู่ ความผิดหวังความเสียใจความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่เที่ยวด้านล่้านเนียมันก็ต้องจากเราไปหัือเปลี่ยนไปเสื่อมไปนี่คือปัญญาวิปรัชนาปัญญาคือปัญญาคือเราได้เห็นว่าการทำตามความอยากนีไม่ได้เป็นการได้ความสุขในการได้ความสุขปลอง ความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมัได้สุขได้ได้เหยื่อด้วยแล้วก็ได้เบ็ดด้วยได้ตะขอเบ็ดม่เกี่ยวปากเ <c oughs> วลาเราอยากได้อะไรเราได้ความสุขเฉ่งจากสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ได้ความทุกข์ที่ตามมากับสิ่งกับความสุขนะสิ่งที่เราได้มามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเหรียญนี่มันไม่มีด้านเดียวมันมีสองด้าน ด้านหนึงหัวด้านหนึ่งก้ยไม่เหมือนกันสิ่งที่เราได้มาก็เป็นสองด้านด้านหนึ่งสุขด้านหนึ่งทุกข์พอได้สุขวันละเดี๋ยวมันคลิกคลิกไปกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาจำไหมคนเวลาต่างงานกันที่สุขไหมแล้วทำไมต้องมาอยากกันมันคลิกไปแล้วจคนคลิกกันเปลี่ยนไป เวลารักกันก็เอาออกเอาใจกันพอเบื่อว่าทีนี้ก็ไม่เอา อ, อกเอาใจกันเอาใจใจใครใจมันเอาจต่ใจตัวเองเมื่อต่างคนต่างเอาใจตัวเองก็อยู่คนไม่ได้ก็ต้องอยาดล้างกันไปเลือดมากันไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้มันพลิกเปลี่ยนตายจากหน้า ม, มืเป็นหลังเลย เปลนจากสุขกายเป็นทุกข์เสมอไปนี่คือปัญญาทำไมเราไม่ควรหาความสุขจากรูปเสียงเก่งลบปฐพภาพเพราะมันจะพลิกอจากความสุขมันจะกลายเป็นความทุกข์ไม่กวรหาราบรลดสารลดแสงเพราะมันมันจะพลิกได้ราบมาเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลาบได้ยศเดี๋ยวมันต้องเสื่อมยศได้สารเดแสงเดี๋ยวมันต้องเม น, นินทาตามมา แต่ถ้าเรามาฝึกใจเราให้มีความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบคือสมาธิได้เวลาสมาธิเราอ่อนกําลังลงความอยากมันโผล่ขึ้นมาเราก็กลับไปสร้างสมาธิขึ้นมาใหม่เพื่อมาหยุดความอยากนีกว่าดีกว่าไปทําตามความอยากคนที่มีสมาธินี้มันจะมีความสามารถที่ต่อสู้ฝูนความอยากได้ ว่าเวลาเกิดความอยากมันจะทรมานถ้าไม่ทำตามความอยากมันจะทรมานมากคนติดยาเสพติดคนที่เลิกสุราเนี่ยเขาเรียกว่าลมแดงนะในเวลาลมแดงนี่มันเกิดอาการทรมานใจมากแต่คนที่เรื่องสมาธิเป็นก็เข้าไปทำใจสงบ พ, พอสงบอาการลมแดงอาการทุกทรมานใจมันจะหายไป มันจะทําให้ฝืนความอยากใชไม่ต้องไปทําตามความอยากเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปต่อสู้กับความอยากเราต้องรู้จักวิธีหยุดมันชั่วคราวก่อนทำใจให้สงบด้วยสมาธิให้ได้อพอได้แล้วเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าเรากำลังไปหาสิ่งที่มันพลิกไปพลิกมาเป็นความสุขที่มันจะพลิกกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็ไม่มีใครอยากจะได้ถ้าไปกินอาหารร้านนี้แล้วต้องกลับมาบ้านต้องถ่ายท้องนี่เราจะไปกินัหมถ้าเรารู้ว่าแล้วอาหารนี้เป็นมีอาหารเป็นพิษกินแล้วเดี๋ยวท้องเสียเราก็ไม่ไปกินอาหารรานนี้ถึงแม้จะอริดอร่อยขนาดไหนแต่มันความสุขที่ได้จากควารอริดอร่อยมันก็ผ่านไป หมดไปแล้วท้องเสียก็เข้ามาแทนที่นี่ทุกอย่างเป็นเหมือนอย่างนี้เหมือนเหมือนอาหารที่เราเกินแล้วอร่ออร่อยแล้วเดี๋ยวก็มาทําให้ท้องเราเสียทําให้ใจเราทุกนี่ต้องพิจรณาอย่างนี้เพราะเจ้าท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างอย่งนี้ในโลกนี้มันเป็นทุกไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นแต่ทุกตอนปลาย นี่คือปัญญาที่เรามักจะลืมกันเราเห็นอะไรปับลืมเเห็นอะไรที่เราชอบอยากได้ขึ้นมา ท, าทันทีชอบหรืออะไรเห็นแล้วพออยากแล้วอดไม่ได้ชอบอะไรแล้วพออยากขึ้นมาแล้วอดไม่ได้นี่ยมันยากตรงนี้เราต้องจะต้องมาแยากตัวเราออกจากสิ่งเหล่านี้ก่อน อย่าไปอยู่ใกล้สิ่งเหล่า น, นี้คนไปนบวชเนี่ยยากตัวเองจากรูปเสียงเก่งนดัดจากราบยศสารเสนพระพุทธเจ้าแยกตัวเองออกจากวังอยู่ในวังนี่มันเต็มด้วยราบยศสารแสนเต็มด้วยรูปเสียงเก่งนดัดที่เรายังสามารถที่จะควบคุมบังคับได้ในระดับนถ้าเรามีความสามารถมีกําลังวังชาร่างกายแข็งแรง เราก็ยังสามารถควบคุมความสุขที่เราได้จากราดลดสรรเสริญจาก ร, าศศรูปเสียงกลิก่นลดได้อันไหนเสียเราก็เปลี่ยนได้กราแฟหมดก็ซื้อมาใหม่ได้บุรี่หมดก็ซื้อมาใหม่ได้เลาหมดก็ซื้อมาได้อะไรหมดก็ซื้อมาได้แต่มันก็ต้องไปเจอวันไหนที่ ซื้อไม่ได้ของหนาจะหมดก็ได้หรือเงินหนาจะหมดก็ได้หรือร่างกายไม่ไหวดูไม่ดื่มไม่ได้หมอบอกต้องหยุดดื่มไม่ดื่มเดี๋ยวเบาหวานขึ้นอะไรอย่างนี้น้ำตาลขึ้นไขมันขึ้นตอนนั้นพอไม่ได้ทำตามความอยากก็ทุกข์กันคนยังไม่อยากเจ็บไข้ได้ปวด นั้นอย่าหาความสุขแบบนี้นักบวชนี้ก็เขาเข า, เขาเสียสละความสุขแบบนี้ถึงแม้ ว, ว่าจะยังกําจัดมันไม่ได้ความอยากไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้มันอยู่่างทางพออยู่ทางทางแล้วมันรู้ว่าอยากก็ไม่ได้มันก็จะไม่กล้าอยากก่อนที่อยากสูบบุหรี่นี้ท่านไปอยู่เนะยถ้าไปหลงอยู่ในปา่าสักเดือนหนึ่งมันไม่มีบุหรี่สูบอยากเงนินมันก็ไม่มีสูบ มันก็ไม่กล้าอยากเองเพราะมันรู้ถ้าอยากแล้วมันทรมาแต่พอมันกลับมาอยู่ในที่ที่มีบุเรียมันก็อยากขึ้นมาอีกเพราะมันไม่มีปัญญาสอนว่าเนี่ยการไม่อยากเนี่ยมันดีกว่าอยากความหลงมันยังจะหลอก่สุขยังดีอยากยังดีกว่าไม่อยากอยากแล้วมันได้สุขสุขต้องมีความสุขอย่คิดอย่างนั้น แต่คนที่มีปัญญาแล้วถ้าแยกตัวไปอยู่ในป่าได้พอฝืนความอยากได้เวลากลับมาเจอสิ่งต่างๆก็ฝืนได้ก็เคยฝืนมาแล้วทำไมจะฝืนไม่ได้มีคนอยู่คนหนึ่งเขาใส่บาตรเขาเขา้าพรรษาเขาจะเลิมเขาจะเลิกกินเล่าสามเดือนเขาก็เลิกได้แต่พอพรรษาากลับไปกินใหม่แสดงว่าไม่มีปัญญา ยังอยากยังชอบอยู่ั้งที่เลิกได้นะสามเดือนถ้าจะเลิกต่อไป ม, มันจะเลิกไม่ได้แต่มันใจพอมันเห็นแล้วมันอยากและมันไม่นึกถึงโทษที่เกิดจากความอยากมันนึกแต่มันนึกถึงแต่สุขที่เกิดจากความอยากได้ดืม่มแล้วสบายไปคิดอย่างนั้นแทนแคิดว่าได้ดื่มแล้ ต่อไปเวลาอยากอยากดืมมันไม่มีดื่มมันจะทุกข์ไม่ขิ้งอย่างนั้นนี่คือเราต้องใช้สมถะและวิปัสสนาภาวนาที่จะเป็นนะเครื่องมือที่เราจะใช้ต่อสู้กับความอยากได้และเราก็ต้องปลดตัวเราออกจากสิ่งต่างๆที่เราอยากอย่าอยู่ใกล้ อยู่ใกล้แล้วแรงดึงดูดมันจะมากมันจะดูดเราก็หามันถ้าอยู่ไกลมันจะแร ง, งดึงอยูดจะไม่มีแต่ก็ไม่แน่บางคนมาอยู่วัดนี่ยอยู่ได้สักพักเดี๋ยวก็แรงดึงดูดของความอยากมันก็ดูดกลับไปแล้วดูดได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับเลยเห็นไหมเนี่ยมาอยู่ได้กี่วันเจ็ดวันเก้าวันตอนนี้แรงของความอยากดึงกลับแล้วนะ <c oughs> ถ้าอ้างว่ากลับไปทําธุระก็ไปสิไปทําธุระถือศีลแปดไปทําธุระต่อก็ได้ธุระมัไม่เกี่ยวกับเรื่องการศีลแปดที่มันเลือกถือศีลแปดเพมันอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นลดลใช่ไหม <c oughs> ยังเถียงอย่ก็ถือศีลแปดไปสิถ้าไมไปหารูปเสียงกลิ่นลดทำไมต้องมา ทำไมต้องเลือกถือสีแปดไปมาถือสีห้าเพราะถือสีห้าแล้วมันไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ทำอะไรต่างๆได้เย็นอาหารเย็นได้เห็นไหมเกิด ค, ความอยากมันมันกำลังมันมากขนาดไหนช้างตัวใหญ่ๆมันยังดึงออกจากมันยังสั่งให้ช้างไปหารูปเสียงกลิ่นลดได้ คนเราตัวเบื้อเริ่มเนี่ยถูกความอยากตัวนิดเดียวสั่งให้ไปหาสิ่งต่างๆได้มันต้องมาฝึกิดเวลามาปลีกตัวออกจากรูปเสีเสยงกลิ่นแล้วก็ต้องคอยควบคุมความอยากความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันไม่คิดแล้วความอยากมันไม่เกิดพอความอยากไม่เกิดความทรมานใจมันจะไม่เกิดมันก็จะอยู่ไปได้ จนเราสามารถควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาเราก็ไปทางปัญญาต่อได้ไปคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไปหาเรื่องราวไปหาปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากความอยากของเราอยากได้นึ่งได้นี่นอยากมีนั่นมีนี่แล้ว ก, ไก็ไปเจออุปสรรคไปเจอปัญหาทาให้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ได้ามาแล้วต้องเสียไปบ้างก็ต้องมีปัญหามาให้แก้อยู่ยเรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆมันไม่มีปัญหาหรอนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้คิดเวลาเกิดความอยากจะกลับไปหาสิ่งต่างๆหลังจากที่เราปิดตัวเราออกมาจากสิ่งต่างๆได้นะเวลามันจะหลอกให้เรากลับไปหาแล้วก็บอกกาลังกลับไปหาปัญหา ไปหาความทุกข์ความหนัก อ, อกหนักใจอยู่คนเดียวเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่อยู่ก็ไปหาเรื่องมาให้หนัก อ, อกหนักใจกันต้องคิดอย่างนี้มันแล้วก็เวลามันมันอยากจริงๆก็กลับไปนั่งสมาธิหยุดความคิดหยุดความอยากอย่าปล่อยให้มันคิดพอมไม่คิดแนละ้วความอยากมันก็จะตามมาไม่ได้ แล้วทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้ได้ต่อไปเราคุมความอยากได้เราสามารถควบคุมความอยากได้ความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาโผล่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมามันทำเราได้มันลากเราไปนะั้นไปทาตามที่มันสั่งได้แต่ถ้าเรามีกำลังมีสติมีปัญญามันจะสู้เราไม่ได้ ยันบ้งั้นแรกก็คือเราต้องตั้งกฎกฎติกาว่าต่อไปนี้ไม่เอาละความสุขทางตาหูจมูกิืงกายก็คือถือสิงแปะเป็นตัวรับประกันสัญญารับประกันความตั้งใจของเราว่าเราตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจจริงเราก็ต้องรักษาสิ่งแปดได้พราะเราจะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขแต่การห้ามนี้ไม่ได้หยุดความอยากเพียงแต่ เป็นจุดเริ่มต้นว่าต่อไปนี้เราจะสู้กับความอยากเราจะไม่เป็นลูกน้องมันละมันจะสั่งให้เราไปกินอาหารเย็นเราไม่ไปแล้ะมันจะสั่งให้เราไปนอนกับแฟนเราไม่ไปนะจะสั่งให้เราไปเที่ยวไม่ไปละไปดูไปฟังไปกินไปดื่มนี่ไม่ไปและเนี่ยคกอนี่คกอนอหน้าที่ของศีลแปดเป็นตัวที่จะมาขีดเส้น ห้ามห้ามออกจากบริเวณนี้ห้ามออกจากเขตนี้เขตของศีลแปดถ้าอยากจะมีความสุขที่แท้จริงต้องอยู่ในในในรั้วของศีลแปดศีลแปดนี้เป็นเหมือนรั้วที่จะกั้นไม่ให้ใจเราออกไปหาสิ่งต่างต่างนอกรัว้วที่จะทำให้เราวุ่นวายใจเสียใจทุกใจล้องหอบ้องห้าเส้าศกเสียใจกัน ถ้าอยู่ในร่้วของศีลแปดแล้วจะปลอดภัยจากความวุ่นวายต่างๆแต่ก็ยังวุ่นวายได้อยู่เพราะว่าไอ้ตัวที่ก่อควนความวุ่นวายมันยังไม่ตายเพราะฉะนั้นขั้นต้นเราต้องถือศีลแปดก่อนแล้วก็พาร่างกายเราให้ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอย่างนี้ รูปเสียงกลิ่นรสจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาติที่เห็นแล้วจะไม่เกิดความอยากเห็นต้นไม้เห็นใบหญ้ า, าเห็นนกเห็นอะไรมันจะไม่เกิดความอยากขึ้นแต่ใจ ก, ก็ยังคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยเสพสัมผัสได้ก็ต้องอใช้สติคอยควบคุมไม่ให้มันคิดไม่ให้มันคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสเวลามันจะคิดแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปใช้คําบริกรรมไป ถ้ามันไม่คิดก็ให้มันดูเฝ้าดูร่างกายไปตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรกําลังเดินจมกรมก็เดินไปกับมันกําลังอาบน้ําก็อาบไปกับมันร่างกายอาบน้ําใจก็อาบด้วยบางทีร่างกายอาบน้ําแต่ใจไปเที่ยวนี่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ร้านอาหารก็ได้กําลังอาบน้ําแต่ใจไปถึงร้านอาหารนะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จจะไปกินอะไรดีเอไปถึงร้านอาหารก่อนนะ ให้มันอยู่กับร่างกายร่างกายกําลังอาบน้ําก็อาบน้ํากับร่างกายกําลังล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างหน้าแปรงฟันไปกับร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรใจเราให้อยู่กับมันไปถ้ามันจะไปที่อื่นเขาใช้พุทโธหนึ่งกลับมาจะไปที่อื่นไปที่ไปที่ออกจากร่างกายไปก็ต้องดึงมันกลับมาให้อยู่กับร่างกายถ้าอยู่กับร่างกายแล้วมันจะไม่ค่อยมีความอยากคิดมันคิดไม่ได้ เมื่อคิดถึงลูกเสียงเกินลดไม่ได้มันก็อยากไม่ได้แล้วเราพอมีเวลาว่างเราก็นั่งเฉยๆหลับตาทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วเกิดความสุขความอยากหยุดโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเวลาจิตสงบนี้ความอยากมันหยุดทำงานตอนนั้นเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องทำอะไรใจก็เบาสบายมีความสุข นี่คือวิธีหาความสุขของเราต่อไปนี้เราไม่หาความสุขจากรูปเสียงเกิดเราทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็เข้าไป น, นั่งสมาธิแทนจนเราสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาเราก็ปลอดภัยเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญาสอนว่าเ ป, เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุข เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขที่จะต้องพลิกกลับมากลายเป็นความทุกข์ต่อไปเลิกพรางความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราเคยหาถ้ามันทรมานใจก็หยุดมันด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้สงบไม่นั่งก็ได้เพียงแต่บริกรรมพุทธโธพุทธโธไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยากเท่านั้นเองพอมันไม่คิดมันไม่อยากมันก็มันก็หายทุกข์หายทรมานใจ นี่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าความอยากมันจะไม่ ม, มาลบกกวนเราต่อไปหรือเราสามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลามันมามันก็ไม่มาทำทำให้เราขยับตามมันได้ใจเรามีความหนักแน่นมีมีฐานมีที่ตั้งคือความสงบเรามีปัญญาเรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความสงบ ไม่ใช่อยู่ที่รูปเสียงเก่งรถไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดูพระพุทธเจ้าฟาดอาหารท่านมีเหมือนพวกเรามีกันหรือเปล่ามีคอนโดมีรถหรูหรามีอะไรกัรืเปล่าพวกเรานี่นอยากจะได้ของลูกนี้กันทั้งนั้นนะเราคิดว่ามันเป็นความสุขใช่ไห ม, ม, ม, มเห็นเขาขับรถเบนซ์นี่ยอยากจะขับกับเขา เหานเขามีคอนโดร้อยล้านอยากจะมีกับเขามีเครื่องบินอยากจะมีกับเขามันไม่มันมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มิไม่มีอะไรคือดูเวลาจะตายท่านยังเดินเลยท่านเดินไม่มีรถไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีรถไม่มีขบวนรถเหมือนสมัยนี้ พระสังฆราชพระอะไร น, นี่มีขบวนมีรถนำมีรถติดตามเป็นพระอะไรไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แน่นอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านเดินท่านไปไหนมาไหนนีท่านเดินไปเดินทุดงไป ไม่มีขบวนรถถึงแม้จะมีลูกศิษย์เป็นพระราชามาหากษัตริย์จะถวายขบวนรถให้ท่านก็ไม่เอาท่านทําเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ยังยังต้องมีคนนําอยู่ถ้าไปมีขบวนรถเดี๋ยวต่อไปลูกศิษย์ลูกหามันก็จะมีกันตามใน ห, หมด มันก็ไปติดกับขบวนรถกันเองติดกับของหรูหรานี่คือเรื่องของคนที่มีความสุขใจแล้วเขาไม่มีเขาไม่ต้องมีเหมือนกับคนที่ไม่มีความสุขใจมีกันคนที่ไม่มีความสุขใจถ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านนี่โอ้โหซอกันชิพหายวายว่อนเอ อยากซื้ออะไรอยากจะมีอะไรก็ซื้อมาเต็มไปหมดแล้วมันทำให้ใจสุขบาใจยิ่งวุ่นวายอย่างมีของต้องมาดูแลมากขึ้นมีอะไรก็ต้องดูแลรักษามันต้องหวงต้องห่วงความหวงความห่วงมันก็ทำให้ใจไม่สบายทำให้หนักอกหนักใจขึ้นมา แ้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันนะจากกันก็มีเยอะก็ต้องจากกันเยอะเสียเยอะมีน้อยก็เสียน้อยถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรต้องเสียเลยไม่มองตอนที่เวลาต้องเสียบ้างคนมีเยอะๆเนี่ยเวลาเสียเสียเยอะนะคนมีร้อยบาทก็เสียเก้าร้อยบาทคนมีร้อยล้านก็เสียร้อยล้าน ถ้าอยากจะเสียแบบมีความสุขก็ก็เอาไปทำบุญนะพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติไปเลยัห น, นจะเสียบ้ลาละก็เสียแบบให้มันเกิดประโยชน์สละราชสมบัติจะได้ไม่ไม่ต้องมาคอยดูแลสมบัติจะได้มีเวลาไปปฏิบัติไปบวชได้ก่คนที่มีสมบัติเนี่ย ถ้าจะไปบวชก็ต้องสละสมบัติม่งั้นเขาไม่ให้บวชและเขาไม่เอาสมบัติไปด้วยเวลาบวชนี้เขาให้มีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นองอัะบริขารบาตรหนึงใบจีวรสามผืนมีดกนเข็มกัดได้เข็มขัด้ัดเอวเข็มขัด้ัดเอวแล้วก็ที่กลองน้ำคือสมบัติของนักบวช มีสมบัติแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาคอยดูแลสมบัติมันก็จะไม่มีเวลามาพุโทโธพุโทโธมาเดินจงกรมมันก็จะมาห่วงสมบัติคิดถึงสมบัติมันก็จะบวชเสียเวลาเปล่าๆบวชก็ไปไปไม่รอดเพราะใจยังไม่มีวันสงบได้พอคิดถึงสมบัติก็ห่วงเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูแลสมบัติอีกมีครอบครัวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูแลครอบครัว เดี๋ยสามีเป็นอะไรภรรยาเป็นอะไรมาตามมาลองไปอย่างนี้ไม่ได้บวชจริงถ้าบวชจริงแล้วไม่มีแล้วสามีไม่มีภรรยาแล้วไม่มีบุตรไม่มีที่ดาแล้วปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปตามเรื่อของเขาหรือว่าตายจากกันแล้วก่อนบวชไหมหรือว่าไปเกิดใหม่ ตายจากเพศของค า, ารวาสแล้วก็ไปเกิดเป็นเพศของนักบวชอันนี้ถ้าถ้าไปอย่างนี้มันจะได้ไม่มีอะไรมาผูกพันมาลบกวนใจที่ใจไม่สงบเพราะมัวแต่คิดเกี่ถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดถึงสมบัติคิดถึงข้าวพวกสิ่งของต่างๆที่เราเคยมีอยู่ถ้าเราไม่ตัดเราไม่สละไปมันก็ยัง มันก็ยังเป็นเขาเรียกอุปสรรคขวางกั้นอยู่เป็นนิวรณทำให้ใจสงบไม่ได้ใจต้องคิดฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวต่างๆความคิดฟุ้งซ่านเกิดจากการที่เรามีมากถ้ามีน้อยก็คิดน้อยถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ถ้าไม่มีสมบัติอะไรมันก็ไม่คิดถึงสมบัติเลยไม่มีภรรยาไม่มีสามีมันก็ไม่คิดถึงภรรยาคิดถึงสามี ไม่มีลูกมันก็ไม่คิดถึงลูกคนที่ต้องการความสงบนี้ต้องไม่มีอะไรสมบัติภายนอกยกให้คนอื่นไปหมดหลวงปู่ขาวท่านไปบวชท่านยกภรรยาให้ชู้ไปถ้าท่านไปบวชอย่างโงภรรยาอยู่เดี๋ยวก็ต้องเสกหออม้ายเนี่ยพอรู้ว่าภรรยาเป็นชู้ก็เลยเสียใจมาก เห็นความทุกข์เห็นไหมความสุขที่ได้จากภรรยามันพลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ภรรยาเปลี่ยนใจเลยอยากเคยรักท่านไปรักคนอื่นแทนท่านก็เลยเห็นสัจธรรมความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาในการมีครอบครัวอยู่คนเดียวดีกว่าได้บวชดีกว่าก็เลยสละบวชทุกสิ่งทุกอย่างสละ ภรรยาสละสมบัติข้าวของเงินทองบ้านช่องแตกแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปบรรลุเป็นพระาอรหัรพระอาจารย์พง์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นเศรษฐีมีไร่มีนาวัวมีควายแต่ท่านกับภรรยาชอบการปฏิบัติธรรมชอบทําใจให้สงบชอบถือศีลชอบไปวัดก็เลยตัดสินใจสละสมบัติ ประกาศบอกให้ชาวบ้านใครอยากได้อะไรมากขอไปยกให้หมดท่านไม่ต้องการอะไรท่านต้องการตัวเปล่ปาแล้วท่านก็ไปบวชกันภรรยาก็บวชชีสามีก็บวชพระแล้วท่านก็ปเป็นลูกศิษย์นองกูมันแล้วก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาคนที่จะไปสืบหาความสุขุก ความสงบที่แท้จริงคือพระนิพพานนะี้มันต้องไปแบบนี้มันถ้ามีอะไรพลุงพลังมันไปไม่ได้หรอเห <c oughs> มือนวิ่งมารอ thon ลองลองมีอะไรพลุงถามไอ้ตูนมันมีอะไรมีแบกแพ็กมีมีซีดีมี CD, มือถือมีอะไรคอยคอยแบกไปหรือเปล่าถ้า แ, แบกมันวิ่งไม่ไหวหรอกมันต้องวิ่งตัวเปล่ า, ลามันถึงจะไปได้ ถ้าแบกสัมภาระไปด้วยแบกข้าวแบกขนมแบกอะไรไปด้วยมีไม่ถึงกิโลมันก็หมดกำลังแล้วนะเราต้องไปตัวเปล่าๆความจริเราเวลามาเราก็ไม่ได้เ อ, อะไรติดตัวมาไม่ใช่เรามาแล้วก็มาตัวเปล่าๆเพียแต่เอากิเลสมาด้วยเอาความอยากมาด้วยชาตนี้เรามาเจอคนสอนว่าเราเวลาไปเราอย่าเอาอะไรไปเลย แม้แต่ความอยากก็อย่าเอาไปความอยากเราเอามาแต่คราวนี้เราจะไม่เอาไปเราจะเอาใจไ ป, ไปเปล่าๆใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากถ้าไปแบบนี้แล้วจะไปแบบไม่กลับมาไม่กลับมาเกิดถ้าไปแบบมีความอยากอยู่ยังจ้ากลับมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านต่างกับพวกเราตรงนี้ ท่านไปโดยที่ไม่มีความอยากท่านเอาความอยากพาทิ้งไว้ในโลกนี้มาฆ่ามันให้หมดอยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกันท่านไม่เอาท่านทิ้งมันหมดท่านไปตัวเ ป, ปล่าจริงๆไม่มีอะไรไปใจเรียกว่าใจบริสุทธิ์นใจว่างจากทุกจากความอยากต่างๆแต่พวกเรานี่ ยังอยากกันอยู่เวลาตายความอยากมันก็ยังไม่หมดไปกับความตายในเวลาใจไปใจก็จะไปกับความอยากและความอยากนี่ก็พาให้ใจกลับมาเกิดใหม่งที่เรามาเกิดนี่อะไรเราอะไรมาติดตัวเรามารูอ้อเป่าก็ความอยากนี้ความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้ร่างกายใช่ไหมพอออกมาจากท้องแม่เดี๋ยวก็คลานหาอะไรแล้วเป็นเด็กก็เริ่มคานหารูปเสียงกลิ่นกัน อยู่เฉยๆไม่ได้ค า, านหาของเล่นเห็นอะไรก็เล่นความอยากาำให้เด็กคานไปคานมาถ้าไม่มีความอยากเด็กมันก็นอนเฉยๆสบายกว่านะกินแล้วนอนสบายกว่านี่ว่าคานไปหาหนูน่นหานี่เดี๋ยวดีไม่ดีก็ไปหกล้มไปชนอะไรเข้าอีกเจ็บตัวไปกวาป่าแม้แต่เด็กมันยังมีความอยากเลยเพราะมันมากับใจ พอใจสั่งให้ร่างกายขยับได้มันก็ความอยากมันก็จะสั่งให้ไปขยับหาห า, หาลูกเสียงกลิ่นรสทันทีเด็กเห็อะไรบางทีก็หยิบเข้าเข้าปากเลยไหมอยากจะริมรสแบบเป็นอะไรวะเขาเข้าปากกันเลยนี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่ ทำใหพวกเราต้องมาวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เพราะความอยากต่างๆของพวกเรานี่เองถ้าเราจะไม่อยากเราก็ต้องหนีอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้หนีไปอยู่วัดป่าวัดเขาเนี่ยทิ้งสมบัติต่างๆไปทิ้งครอบครัวทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งบิดามารดาทิ้งทุกอย่างไปคิดว่าเราตายเนี่ยเวลาเราตายมันก็เหมือนกันไม่ใช่นะถ้าเกิดเราตายวันนี้เราใครไปได้ปะ มันก็เหมือนกันไปบวชก็เหมือนไปมันก็เหมือนตาย like ตายจากโลกตายจากเพศนี้ไปไปเกิดเป็นเพศใหม่ไปเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตอนที่มาบวชนี่ได้พระพุทธเจ้าเป็นพ่อคนใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนนามสกุลใหม่เนี่ยเคยมีนามสกุลอะไรพอมาบวชเขาให้เปลี่ยนนามสกุลใหม่ฉายาเขาเรียกว่าฉายาอภิชาโตนี่ยเมื่อก่อนมีนามสกุล พอมาบวชเขาบอกว่าคุณตายจากครอบครัวนั่นไปแล้วคุณใช้นามสกุลไม่ได้นล้คุณมาเกิดในครอบครัวใหม่แล้วลองใช้ฉายาแล้วอาภิชาโตแล้ว<ม>ทิ้งทุกอย่างแม้แต่นามสกุลยังทิ้งเลยคนที่มาบวช<ม>จะได้ไม่มีพันธะไม่มีอะไรมาผูกพันจิตใจ<ม>ทําให้เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวละ แล้วเราจะได้มาควบคุมหยุดความคิดหยุดความอยากได้พอหยุดได้แล้วเราจะมีความสุขจะทำให้เราหายอยากต่อไปจะไม่อยากได้อะไรอยากได้อะไรก็ปัญญาก็มาสอนว่าเดี๋ยวก็กลับไปหาความทุกข์ท่านั้นถ้าอยากจะไปหารูปเสียงกยลิ่นรสเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเจอความทุกข์อีกอยากกินร้านอาหารร้านนี้คราวที่แล้วกินแล้วท้องเสียอยากจะกลับไปกินเี๋ก็แ ถ้าไปกินร้านอาหารนี้ทีไรท้องเสียทุกทีนี้อยากจะกลับไปกินไหมต่อให้อาหารอร่อยขนาดไหนก็ไม่เอานะอะไรแบบนี้แต่พวกเราไม่เข็ดกันได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวทุกกับมันก็ลืมได้อะไรมาร้องหอบร้องไห้ไปไม่กี่วันเดี๋ยวก็าหาใหมา่แฟนตายจากไปเดี๋ยวก็หาแฟนใหม่ของหายไปเดี๋ยวก็ซื้อมาใหมา่ไม่เข็ดไม่จำกัน ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี่ไม่ช้าก็เร็วมันจะทำให้เราต้องน้องห่มน้องห้ายเศร้าสศกเสียใจการมีปัญญาก็คือคอยเตือนใจสอนใจว่าทุกสิ่งทีกอย่างที่เราอยากได้นี้มันจะทำให้เราต้องเศร้าสศกเสีย ใ, ใ, ใจอย่าไปมีมันดีกว่าอยู่ตัวปเปล่าๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่ากลับมาทำใจให้สงบดีกว่าหยุดความอยากถ้าทานี้ได้ทุกครั้งต่อไปความอยากมันก็จะหมดนิดเอง แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่แบบพระพุทธเจ้าได้อยู่ยังมีความสุขนิบานังปาลมังสุขขังเหมือนกับเศรษฐีคนหนึ่งที่มาบวชพอได้หยุดความอยากบวชแล้วท่านก็บอกสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนมาไหนก็บอกสุขหนอสุขหนอะจนกระทั่งพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพราองค์นี้ไม่สำรวมเลยคุมพรมคุมพรมสุขเนอสุขหนอพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกไปถามว่าเป็นไงไม่มีสติเรื่องไงบอกนี้ แต่มันอดอุทานไม่ได้เมื่อก่อนเป็นเศรษฐีนี่มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่มันไม่ถุกแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติแม้แต่บาทเดียวแต่ทำไมมันสุขลึกเกินสุขเพราะไม่มีอะไรต้องมากังวลไม่มีอะไรต้องมาอยากก็เลยสุขหนอสุขหนอพระเจ้าบอกนี้ไม่เป็นไรนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มีสติหรือเพอเจอร์หรือไม่มี ไม่มีสัมลุไม่ใช่แสดงว่ามันฤทธ์ของความสุขในใจนี่มันผลักดันให้อุทานออกมาเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทาตามที่พระเจ้าสอนให้ทําทําตามที่พระเจ้าได้กระทํำพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเยอะแยะเหมือนกับเราแต่ท่านเห็นว่าเป็นทุกข์ท่านฉลาดกว่าเราเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่ แต่ท่านเห็นว่าเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์ก็เสียสายเสียแล้วเวลาตายเนี่ยโอ้เสียสมบัติไปหมดเสียเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทูจ้าเห็นก็นล่วงหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาแก่เจ็บตายแล้วสมบัติเหล่านี้จะทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่สามารถดูแลรักษา ม, มันได้ใช้มันได้พึ่งมันได้ก็เลยไม่เอาดีกว่าสละสมบัติไปแล้วไปหาความสงบดีกว่าพอได้ความสงบแล้วก็ไม่กลับมาหาความ ไม่หาสมบัติอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงนะเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุ ข, อ ย, าาสขยสสอย่าหาความสุขจากลาบยศสารเสิร์นอย่าหาความสุขจากรูปเสียงเก่งลดอย่าหาความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาหาความสุขจากการอยู่คนเดียวทําใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขทั้งปวง แล้วนาะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยัาทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตชินังเตตานาังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกป า, าจันโทปนาระ โสยัามณิโชติปะระโสยัาสัพพิตโยวิวัชจันโตสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีิจะนิจังวุฒาปจายโนยัตตาโหธรมมวาทานติ อายุวันโสุขังภาลางสาธุคำถามแรกจากทางเฟ e บุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณเพชชี่ครับถามค่าว่าถ้าเรารู้คิดได้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่ต้องคงสถานะเผชิญอยู่นั้นเป็นทุกข์รู้ว่าเหตุคืออะไรรู้ว่าจะดับมันได้อย่างไรแต่เราเลือกเองที่จะไม่ดับ แต่พร้อมยอมรับที่จะแบกกองทุกไว้ก่อนในปัจจุบันขณะอย่างนี้เรีย ก, กได้ว่ามีสติมีปัญญาไหมคะเหมือนเรามีเหตุผลให้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่<ม>บางครั้งอยากละทิ้งหน้าบางครั้งอยากละทิ้งละทิ้งแต่หน้าที่บอกว่ายังทิ้งไม่ได้การทิ้งในความคิดไม่ใช่การหนีคะ่ะแต่อยากวางแต่ด้วยความรับผิดชอบยังต้องยอมแบกยอมรับรบกวนพระอาจารย์ให้สติด้วยคะ่ะว่าควรรับสถานการณ์อย่างใดดี ก็เหมือนกับไม่สบายก็บอกว่ายังไม่อยากจะรักษาข อ, อไม่สบายไปก่อน <c oughs> ก็ไม่ว่าอะไรอยากจะไม่รักษาอยากจะไม่สบายไปก่อนก็ก็ไม่ว่าอะไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลอยู่บ้านทนอยู่ก็มันไปทนได้ก็ทนอยู่ไปคําถามจ็ทางอินบ็อกซ์นะครับจากคุณนัฐมนครับถ้าเห็นกระดูกของทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นระยะระยะ ทั้งที่ภาวนาและไม่ภาวนาเพราะเราติดภาพเดิมๆหรือจิตเห็นจริงคะฟุ้งซ่านหรือเพราะอะไรจึงเห็นบ่อยๆทิ้งก็ยังไม่โกร๋มาให้เห็นควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะเห็นเห็นมันต้องเห็นตามที่เกิดกามอารมณ์ถึงจะเป็นประโยชน์เห็นเวลาอื่นก็เป็นเหมือนกับเป็นการทําการบ้านเป็นการเติมใจเหมือนกับการท่องสุดคูนเนี่ย จะใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ตอนเมื่อเราต้องคิดเลขถ้าเราคิดเลขเราท่องสูตรคูณได้เราก็สามารถคิดเลขต่างๆได้การที่เราเห็นกระของกระดูกนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราหายหลงแทนที่จะไปเห็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วทำให้เราเกิดการอารมณ์เราก็เห็นว่ามันก็แค่โครงกระดูกแต่เรามองไม่เห็น ก็ในการให้เห็นโครงกระดูกก็เพื่อที่เราจะได้ตัดการอารมณ์ได้เวลาเราหลงรักใครเราพอคิดถึงโครงกระดูกของเขาแล้ไม่เอาน ะ, ะ <laughs> มอง <im> มองไม่เห็นโครงกระดูกก็เลยหลงรักเขาทีแท้เราก็รักแค่โครงกระดูกนี่แต่มองไม่เห็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังมันมาหุ้มห่อไว้ <laughs> <im> ก็เนี่ยเที่ยให้เห็นโครงกระดูกนี้ก็เพื่อให้เห็นเพื่อที่เราจะได้มาใช้ตัดการอารมณ์ เราจะได้ไม่หึงหวงแฟนเราเราแค่ฆ่าหึงหวงโครงกระดูกนี่เองไปหึงหวงมันทำ ไ, ไมเดี๋ยวตายไปมันลายเป็นอะไรถ้าแม่ไ ป, ไปเผาปล่อยให้มันเปลือยมันูกมันทังไปก็เหลือแต่โครงกระดูกคำถามต่อไปจากคุณชวนครับผู้นับถือศาสนาพุทธแต่ยังเชื่อเรื่องหมอดูอยู่และยังทำอาชีพหมอดู ถือว่าขัดกับคําสอนของศาสนาพุทธหรือไม่ครับก็ยังไม่เป็นพุทธเต็มร้อยเป็นพุทธบางส่วนถ้ายังทําบุญทําทานใส่บาตรรักษาศีลห้าก็ยังเป็นพุทธอยู่บางส่วนแต่ยังไม่พุทธเต็มร้อยพุทธเต็มร้อยมันต้องระดับพระสุวรรณนั่นเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อการเชื่อสิ่งที่พระเจ้าสอนอย่างเดียวไม่เชื่ออย่างอื่นไม่เชื่อมอดูไม่เชื่อดวงไม่เชื่ออะไรต่างๆ เชื่อกรรมคนที่เป็นผู้จริงๆนี่เชื่อกรรมพาเราดีชั่วสุขทุกข์นี่จะเลื่อนเลือเสื่อมนี่อยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราไม่ต้องไปหาหมอถามหมอว่าเราจะดีไม่ดีทดําดีไปเถิดเดี๋มันดีเองคนที่เชื่อคนที่มปหาหมอแล้วไปยังไปทําชั่วไปทําบาปไปกินเหล้ามาวายาวอยู่หมอทํานายยังไงก็อย่าไปเชื่อเลยไม่มีวันที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุที่เราทำํำมันไม่ทําให้เราดี เหตุที่เราทํามันทําให้เราไม่ดีงั้นถ้าเราอยากจะดีเราทําเหตุที่ดีอย่ารักษาศสินไปอย่าเสพอบายามุขอย่า ก, กินเหล้าเมายาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรอย่ามีความเกลียดค้างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปเองที่มันไม่ดีก็เพราะเราไปไปทำในสิ่งที่ไม่ดีคือกฎแห่งกรรมเหตุผล คือการกระทำของเรานี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราดีหรือชั่วไม่ใช่หมอดูหรือใครอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทำดีเดี๋ยวผลดีมันก็ตามมาเองแล้วผลดีก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดผลดีเราคิดว่าต้องรวยถึงจะดีไม่ใช่หรอกรวยแล้วทุกมันก็ไม่ดีอยู่ดั้นจนแล้วสุขยังจะดีกว่า ผลของการทำความดีก็คือสุขใจไม่ได้อยู่ที่ความรวยหนระือความทำทำความดีแล้วใจเรามีความสุขคนทำความดีส่วนใหญ่จะจะจนเพราะว่าต้องเสียเงินเอาเงินไปช่วยคนนั้นคนนี้ไปแจกคนนั่นคนนี้มันถึงจนแต่มันมีความสุขที่เกิดจากการได้ทำบุญแต่คนรวยนี่มันทุกข์เพราะมันอยากได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้แล้วก็หวงก็หวงพอเงินหายไปหน่อยก็ทุกข์วต่าง คำถามต่อไปจะทาง youtube ครับจากคุณข๋อเรือนครับรักสามีมากไม่อยากจากกันวันนี้ได้ฟังเทศพระอาจารย์ว่ามันเป็นทุกสักวันก็ต้องจากกันหนูควรทําทอย่างไรครับก็คิดบ่อยๆเพื่อต่อไปจิตมันจะได้ยอมรับความจริงเราจะได้ปล่อยวางความยึดติดในตัวเขาได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ยึดติดในตัวเขาแล้วพอรู้ว่าเป็นของชั่วคราว เดี๋ยวจะต้องมีวันจบพอเวลามันจบเราก็จะไม่ทุกข์าำถามต่อไปจะทางไลค์ครัในขณะที่เรากําลังปฏิบัติไปด้วยทํามาหากินไปด้วยและลูกน้องบริวารเราไม่ดีกับเราใจเราอยากจะผิดใจเราอยากจะแจ้งความจะดําเนินคดีเราจะบาปหรือสมควรหรือไม่คะจะขัดกับการทําบุญภาวนาไหมคะหรือควรปล่อยให้เป็นกรรมของเขาไปเจ้าคะ ก็อย่างมากเราก็ย้ายเขาทางานกับเราก็แล้วแต่เรื่องเตือนเขาก่อนก็ได้ถ้าเราเมตตาก็ให้เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ตัวนะก่อนที่จะทำผิดนะถ้าทำอีกก็ต้องออกจากงานไปนะแต่เรื่องไปฟ้องร้องเขาไม่ต้องไปฟ้องร้องว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันคำถามต่อไปจากคุณอังวราครับ อาจารย์คะเวลานั่งสมาธิจะทําอย่างไรให้ใจสงบได้เร็วคะก็ต้องมีสติตอนมานั่งถ้ายังไม่มีสตินั่งไงก็ไม่มีวันสงบการจะมีสติได้ก็ต้องพุโทโธไปทั้งวันเมื่เตือนขึ้นมาก็พุโทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็อย่าคิดอย่าให้มันคิดให้มันพุโทโธพุโทโธไปพอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันพอมันไม่คิดก็ให้มันอยู่กับร่างกายไป ร่างกายอ่าบน้ำก็อาบน้ํากับร่างกายร่างกายแปลงความร้างหน้าก็แปลงความร่างหน้ากับมันอย่าให้ใจไปที่อื่นใจพอแล้วอย่าให้คิดพอคิดก็ต้องหยุดมันถ้าเวลานั่งมันก็จะสงบได้เร็วพราะเราหยุดความคิดได้คําถามต่อไปจากคุณนันทาชาครับแม่ป่วยเดินได้แล้วแม่ป่วยเคยเดินได้แล้วเดินไม่ได้ ท่านไม่ยอมรับความจริงเราควรจะแนะนําท่านอย่างไรเจ้าคะ่ะแต่ก็ไม่ขอคําแนะนําก็ไม่ต้องไปแนะนําถ้าขอเขาก็แนะนําแล้วก็ให้แนะนําอย่างญาติโยมมาที่นี่มาขอคําแนะนำแล้วก็แนะนําให้แต่เราไม่ไปบ้านโยมเราไปแนะนําหรอโยมอย่า ก, กินเหล้านะอย่าดูหนังฟังเพลงนะเดี๋ยวโดนเตะไม่๋ยวเสีย คำถามต่อไปจากคุณน้องปรางครับนั่งสมาธิเวลาผ่านไปสักระยะจะมีน้ำตาไหลออกมาเพราะอะไรครับก็มันจะไหลมันรู้ว่าทอนเพราะไหลก็รู้ว่ามันไหลก็แล้วกันรู้ไหมเวลาอื่นมันไหลทำไมมันไม่สนใจพอมานั่งสมาธิมันไหลต้องมันรู้ทัามันไหลก็มันไหลเลยก็รู้ว่ามันไหลก็แล้วกัน จากคุณพีโกนครับกรณีพ่อแม่มีชีวิตด้วยเครื่องช่วยหายใจถ้าหมอบอกว่าการตัดสินใจอยู่กับลูกถ้าลูกคนนั้นบอกว่าหยุดเครื่องช่วยหายใจลูกคนนั้นทําอนันต์ลีกกรรมหรือไม่ครับไม่หรอกก็หยุดการรักษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการฆ่าการฆ่านี่ต้องเอามือไปจิกจมูกเขาเนี่แม่ก็าหายใจเนี่เรียกว่าฆ่าแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องช่วย เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นการฆ่าเป็นการยุติการการรักษาหรือการการช่วยเหลือเขาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นการทำร้ายเขาคำถามต่อไปจากคุณสุวรรณาครับเมื่อภาวนาลมหายใจหายไปแต่คาภาวนายังอยู่กับสติตลอดคำถามคือสติรู้ว่าลมหายใจหายไปรู้สึกเบาสบายเหมือนจิตรวมแต่คำภาวนายังรู้ตัวอยู่ว่าตัวเองยังพุโทโธตลอด อันนี้หมายถึงจิตรวมลงไปหรือไม่เจ้าคะ่ะก็รวมไม่เต็มไลยถ้ามันรวมเต็มเนี่พุโทโธก็จะหยุดไปด้วยเรพุโทโธต่อไปถ้ายัางภาวนาอยู่ได้ก็ภาวนาไปต่อคําถามต่อไปจากคุณกิติพัฒนครับการทําสมาธิภาวนาเดินจงกรมสําหรับคารวะแต่ละวันควรทําอย่างน้อยสี่ครั้งต่อวันวันละกี่ชั่วโมงครับอ๋อทำมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแล้วแต่เราจะมีเวลามากน้อยเท่าไหร่ ยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากเหมือนกับเวลาเราทำงานเนี่ยเราเปิดร้านขายของเนี่ยถ้าเปิดสองชั่วโมงกับเปิดสามชั่วโมง น, นีนมันไห น, น, นจะดีกว่ากันเปิดสามชั่วโมงมันก็ขายของได้มากกว่าขายเปิดสองชั่วโมงนั่งสมาธิมากน้อยมันก็เหมือนกันไม่นานมาถามเลย <c oughs> นั่งมากก็ได้มากพอดีมากมากก็ได้มาก ปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยที่เราอยู่ที่ว่าเรามีเวลาที่จะปฏิบัติมากน้อยเท่าไหร่เพราะเรามีงานอย่างอื่นต้องทำํำถ้าเราอยา ก, ยากใช้ปฏิบัติมากเราก็ต้องตัดงานอย่างอื่นให้มันน้อยลงไปแล้วเราก็จะปฏิบัติได้มากนี่มันก็อยู่ที่ว่าเราได้ผลจากการปฏิบัติหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผลเราก็ไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัตินะแล้วไม่ได้ผลนะั้นเหมือนไปตกปลาเนี่ยตกไปทั้งวันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีกําลังใจจะตก ที่เรานั่งไม่ได้ผลเพราะเรานั่งไม่เป็นนั่งไม่ถู ก, กเราก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนว่านั่งยังไงถึงจะถูกก่อนจะมานั่งต้องมีอะไรก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะมานั่งปุ๊บจะได้ฟัฟเนี่ยเหมือนจะไปตกปลาไม่มีแบ็ไม่มีไม่มีเครื่องมือเนี่ยไปนั่งดูดน้ําเฉยๆแล้วจะให้ปลามันติดขึ้นมาได้นี่ยมันก็ต้องไปหาเบ็ดหาอะไรมาก่อนจะมานั่งสมาธิให้ใจสงบมันก็ต้องมีสติมาก่อนจิตต้องสติหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก่อน ควบคุมความคิดได้ก่อนแล้วถึงมานั่งถ้ายังควบคุมไม่ได้นั่งไปก็ไม่มันก็ไม่สงบคนะําถามต่อไปจากคุณมงคลครับเมื่อทําบุญบ้านโดยเชิญพระมาสวดถาวายเพลงทําสังฆทานไม่ทราบว่าเจ้าที่ที่บ้านหรือเทวดาณสถานที่นั้นจะได้รับส่วนบุญหรือไม่ครับอ๋อถ้าเราไม่อุทิศใหเ้เขาก็ไม่ได้เราต้องอุทิศแล้วก็อยู่ที่ว่าเขา ต้องการหรือไม่ถ้าเป็นเทวดาเขามีบุญเยอะเขาไม่ต้องการบุญอุทิศเพราะบุญอุทิศเป็นเหมือนเงินให้ขอทานแต่ถ้าเขาเป็นขอทานคือเป็นเปรตเขาก็จะยินดีกับบุญที่เราอุทิศให้เขาเพราะเขาไม่มีบุญเลยตอนนี้คําถามหมดครับเนี่ยดูวิญญาณที่ตายไปเนี่ยแต่เราดูไม่เหมือนกันมีบุญมากน้อยต่างกัน ค่อนที่ไม่ทำบุญโดยไปจะมีบุญได้ยังไงถ้าไม่มีบุญไปไปไปเป็นเทวดาไม่ได้พวกเทวดานี่เป็นพวกที่ทำบุญเยอะส่วนพวกที่ไม่ทำบุญนี่ก็ไปเป็นเปรตเปรตคือพวกขอทานตรงนี้ไม่มีบุญติดตัวไปพวกนี้หลกที่จะมาคอยขอบุญแต่เราทำไปแล้วทาแล้วเราก็มีบุญที่เราอุทิศได้บุญบุญที่เราทำนี่เราไม่ได้อุทิศไปหมด บุนที่ <c oughs> อุดนี้เป็นเหมือนกับเงินที่เราแบ่งให้ขอทาน <c oughs> เหมือนเงินเราไปเบิดมันที่มาจากธนาคารออกมานอกธนาคารเห็นขอทานนั่งอยู่เราจะเอาเงินทั้งหมดที่เราให้เขาไปหร้อเป่าที่เราเบิดจากธนาคารไม่ใช่ไหมแบ่งให้มันแค่อสิบบาทยี่สิบาทเนี่ย <c oughs> แล้วคำม่าบุญเก่านะพระอาจารย์ฮะบุญเก่าที่ว่าบุญเก่าบุญเก่ามีบุญเก่าบุญเก่ามันก็มันก็เป็นของที่เรามันต้องทําใหม่เนี่ย บุญเก่าเราเอามาเอามาอุทิศไม่ได้นะบุญเก่ามันเงินเามันมันเอาไปเก็บไว้แล้วต้องเอาบุญใหม่ที่จะอุทิศได้แต่บุญที่เราทําสมมติวันนี้เราทําได้ร้อยอย่างเงี้ยเราอุทิศไปได้แค่สิบบาทเราไเราให้มันให้หมดไปไม่ได้เพราะผู้รับเขาไม่ไม่มีฐานะที่จะรับบุญทั้งหมดที่เราให้เขาได้เขาต้องการแค่เนี่ยเหมือนขอทานเนี่ย ให้เขาห้าบาทสิบาทเขาก็ดีใจแล้วมาแล้วยังมาแล้วครับจากคุณประสงค์ครับจากทาง youtube ถ้ามีพระสนับสนุนน้องชายตนเองแต่เขายังกินเหล้าอยู่อย่างนี้เราควรคิดอย่างไรครับก็เรื่องของพระกับน้องชายขเขาเนี่ยมที่จะอะไรไม่ใช่เรื่องของเราคำถามต่อไปจากคุณปิยารัตน์ครับ การสอบอารมณ์กรรมฐานหมายถึงอะไรครับ อ, อ๋อการทดสอบว่าเรา ป, ปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วเราได้นำํำทำมากน้อยเพียงไรแล้วเช่นเดี๋ยวโดนด่านี่ดูซิว่าโกรธหรือเปล่าถ้าโดนด่าแล้วด่ากลับก็แสดงว่าอ๋อยังไปไม่ถึงไหนเวลาสอบอารมณ์เขาเขาต้องสอบแบบไม่บอกล่วงหน้า ถ้าแบบบอกล่วงหน้ามันไม่ได้สอบแล้วมันรู้ล่วงหน้าก่อนมันก็เตรียมตัวไว้ก่อน <c oughs> พอด่าก็ทําใจเฉยๆทั้งๆ ท, ที่โกรธข้างในก็ไม่สแสดงออกมาใช่ไหมต้อง <c oughs> ต้องทดสอบแบบเนี้นิทานที่มีคุณหญิงคุณนายไปฟังเทศจากหลวงปู่หลวงตาองหนึ่งแล้วบอกว่าตั้งแต่ฟังเทศหลวงตามมาันที่อะไรก็รู้หายไป้นหมดหลวงปู่หลวงตาบอกพี่ต้อแล <c oughs> <c oughs> ขึ้นเลยที่พ่อตอนหลัเสียใจโกรธเลย <c oughs> ไม่กลับมาหาหลวงปู่ตลวงตายเลย <c oughs> สแสดงว่าทดสอบใจเเนี่อทดสอบใจหรือว่าใจนี้ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าทดสอบดูตรงที่ว่าโลคกรธหลงมันนิ้ม้อยลงไปเยอะมากขึ้นเอถ้ายังมีเหมือนเดิมสแสดงว่าไม่ก้าวหน้า <c oughs> ถ้าใครด่าแล้วยังเฉยเฉยได้เอสาธุอย่างนี้ได้สแสดงว่าก้าวหน้า ถ่ยกระโมยเงนินไปก็สาธุเป็นเหมนที่มันทำบุญทําทานไปถ่ายกองเงินเราไปก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปถือว่าเก่เราเราไม่โกรธเค้าถือว่าพัฒนาใช่ใชไหมครับถ้าแฟนเราไปก็สาธุถ้าแฟนไปก็สาธุยน็อกไปเลยโครงกระดูกแสดงว่าเห็นว่าเป็นโครงกระดูกอยาจะได้โครงกระดูกเกาไปเลยเห็นเยอะก้าวหน้าขนาดนี้ ครบอาจารย์เวลาก็ทดสอบเขาไม่บอกก่อนวนะ่าวันนี้จะสอบอารมณ์นะสอบกรรมฐานนะถ้าสอบมันก็ถ้าบอกมันก็ตั้งนะตั้งกาบรับไวนะ้แล้วสิเงี้ยเหมือนเหมือ น, นเหมือนโค้ดที่ก็สอนนักมวยเขาบอกเขาเขาเขาจะไม่บอกว่าจะต่อยไปทั้งนี้นะถ้าบอกมันก็คอยรับไว้ก่อนนะเงี้ยนะคำถามคำถามจากคุณทองเลี่ยมครับกราบนมัศการค่ะพระ อ, อาจารย์ อยากพาลูกสาไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดพระอาจารย์จังขัดต้องทําอย่างไรดีคะไม่ต้องมาหรอกที่บ้านก็ทําได้หาห้องสงบอยู่กันนั่งคนเดียวสองคนก็เหมือนกันเพราะเวลานั่งมันไม่ได้ไปนั่งกับคนนั้นคนนี้เนี่ยนั่งเพื่ อ, เ, อเราคนเดียวดั้นอยู่ที่ไหนคนเดียวได้ยิ่งจะดีกว่าดี่ว่าขับรถถ่อมาเป็นร้อยกิโลร่ลางทางเดินมาก็เครียดกับการเดินทางเสียเวลาไปเยอะแยะ เอาเวลาเดินทางไปกลับให้นั่งสมาธิที่บ้านดีกว่านอกจากจะมาเดี๋ยวฟังเทศก็ไม่ต้องมาแล้วก็มีถ่ายทอดสดตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาแล้วเ <laughs> บางบบางงคนที่ดูอะค่ะอาจารย์เขาอยากม า, ก น, านับนแหละกิเลสนั่นแหละกิเลสมาด้วยความถ้ามา <c oughs> ด้วยเหตุผลไม่ต้องมาหรอกเพราอยากจะฟังธรรมก็จะฟัง ท, ที่บ้านก็ได้ <c oughs> แต่จะนั่งสมาธินั่งที่บ้านก็ได้ ที่มันอยากมาเพราะมันอยากจะออกจากบ้านมันก็เลยหาเรื่องเหาเหตุว่าวันนี้มีกิเลสออกมาจะได้แต่งเนื้อแต่งตัวจะได้ทําอะไรเอออยู่บ้านมันไม่ได้ทําอะไรมันก็ง่ายอย่งไงต้องมาวันนี้ต้องมามากราบพระอาจารย์ไม่ได้กิเลสเลยซ่อนได้แนบเนียนมาก แต่ก็ยังดีดีกว่าไปเที่ยว <Okay. S 1> ยดีกว่าไปบาไปผักไปบ่อนน <Okay. S 1> มาวาัดก็ยังดีเพราะถ้าเรายังอยู่บ้านไม่ได้มันอึดอัดอยู่บ้านแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อามามาแล้วก็มาอยู่เห็นคนหนึ่งเขานั่งก็นั่งกับเขาไปมันก็ได้นั่งบ้างแต่ถ้าพูดตามหลักพัมเป็นจริงแล้วอยู่ที่บ้านได้มันได้เป็นกรอบเป็นคำเยอะกว่าสม่ว่าเดินทางไปกลับกรุงเทพเนี่ไปกลับประมาีหชั่วโมงนะ มันอยู่บ้านสีห้าชั่วโมงนี้นั่งได้เยอะแยะละงั <c oughs> นก็ไม่ต้องเสียสักบาททาน้ำมันก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอแต่งแล้วเด็กก็ต้องเอาผ้าที่แต่งไปซักเอีก <c oughs> โอ๊ยมีแต่งงานทั้งนั้นอยู่บ้านจะ <c oughs> บัยไรคีเรอยากมาเจอป้าจา่านั่นแหละท่า น, นั้นแหละคีเรศมันมันอ้างมันจะได้ออก <c oughs> ว่าเวลาลางนั่งรถมาเ ล, เลยมองนู่นมองนี่เห็นนู่นเห็นนี่แล้วแล้วขอครับ อาจารย์ก็คือเวลาเวลาขับรถเนี่ยค่ะคือสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยไม่ควรนะขับรถให้มีสติอยู่กัาการขับฟังได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ควรฟังฟังว่าเดี๋ยวเกิดมีอุบัติไม่อะไรกระทำหันมันจ ะ, ม, นจะมันจะแก้ไม่ทันการถ้าเกิดรถตัดหน้าหรืออะไรตัดหน้ามามัวแต่ไปฟังอยู่มันจะมันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ควรฟังควรมีสติอยู่กับการขับ ถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธเดินกลับมาอย่าให้มันไปคิดนอกนั้นเรื่อง น, นี้แล้วเดิมเดึมมันกลับมาให้อยู่กับการขับเท่านั้นพออยู่กับการขับแล้วไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องพุโทโธถ้าอยากจะฟังธรรมต้องนั่งเฉยๆที่จอดรถแล้วก็ฟังการฟังธรรมจะได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรเพราะเวลาพูดเวลาทำนี่มันไม่ได้ฟังฟังแต่เสียงแต่ไม่เข้าไปในใจ เพราใจไม่ได้รับรู้ใจไปรู้ยอยู่กับเรื่องที่เราพูดเรื่องที่เราทำอยู่ยัต้องรู้จักวิธีเราทํำปนกันไปหมดัม่วเป็นไปหมดเวลาขับรถเพื่อความปลอดภัยก็ให้มีสติอยู่วัาการขับรถอย่างีอยอไปฟังเพลงอย่าไปฟังอะไรเนีสมัยนี้เขายิ่งสมัยนี้มีมือถือเนี่ยขับรถไปเปิดดูมือถือส่งข้อความ ชนโป้งเลยไม่ทั น, นี่ติดตัว <c oughs> เพราะมันไม่ได้อยู่กัการขับแล้วมันมัดูนี่อันนี้เขามีปัญหามากเมืองนอกเลยเขาว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มีมือถือนี่มานี่อันนี้เขาองมายากออกกฎหมายต่อไปห้ามให้ไม่ให้ใช้มือถือในรถไม่ให้จับมือถือเลยให้ปิดเครื่องอะไรต่อไปเพราะว่าคนเนี่ยที่ถูกจนเนี่ยแล้วตายไปเนี่ยพ่อแม่เขาเสีย อ, อกเสียใจขนาดน เป็นแต่เราเผอไปดูไว้นี่ไม่สองสสามวินาทีแล้วก็ไปชนรถเขาแล้วทำให้คนตายเห็นทำอะไรให้มีสติอยู่กับการกระทำทถึงบอกบอให้เราอยู่กับร่างกายร่างกายเรากำลังทําอะไรให้อยู่กับมันร่างกายกำลังขับรถก็ให้ขับรถไปกับมันอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้อย่าไปฟังเทศฟังธรรมถ้าอยากจะฟังธรรมจ้าให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ทาอะไร ที่บ้านใครใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนก็ได้ต่อไปญาตว่าที่เรนที่เรียกว่าสัญญโญเบิ้ลโตนะครับมีสามสามอย่างครับอยากทราบว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรแล้วก็สมนนี้กเกิดแล้วก็การดับไปไหนครับคือสัญญโญตัวแรกเรียกสัตยาธิษฐิคือความหลงเห็นผิดไม่เห็นตามความเป็นจริง เห็นอะไรเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราคือใครเรายังไม่รู้เราเห็นมิดเราก็ได้เกิดมามีแต่ร่างกายเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงร่างกายนี้เป็นเหมือนม้าเราเป็นเหมือนคนขี่ม้าแต่เราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเป็นม้าไปด้วยแต่ความจริงเราเป็นคนขี่ม้า เป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรนี่คือเราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่คือเราผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี่แต่เราไม่รู้ไงเราจึงต้องมารูมาฟังจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าให้แยกเราว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเราเป็นนายร่างกายเป็นบาปเหมือนคนขีมากับมา้ายิ่งแต่คนขีมากไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์ล่องขนปัญญามั้น ใจนี่มันเป็นมนุษย์ร่างหนแต่บรรจ้า น, นี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆมาจะมานี่ได้ใจต้องสั่งก่อนใช่ปะใช่ค่ะต้องคิดใช่ปะคิดค่ะถ้าไม่คิดมาไม่ให้มาคิดแล้วก็ต้องสั่งให้มันลุกให้มันเดินให้มันยืนให้มันขับรถมานั่นแหละค น, ค, นคนนี้คือเราเราไม่ได้เป็นร่างกายครับถ้าเราเห็นแล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้เพราะว่าต่อไปร่างกายต้องแก่ ต, แกต้องเจ็บต้องตาย แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นร่างกายเราจะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเราไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือพอเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราแล้วก็ช่างมันสิร่างกายคนอื่นเราไปอยากให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือป่าคนอื่นเป็นยังไงไม่เห็นเดือดร้อนใช่ไหมไม่ค่ะทำไมร่างกายนี้ไปเดือดร้อนนะเราลยคิดว่าเป็นเราในความจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น คือสักกายะทิฏฐิไปหลงคิดว่าร่างกายของคนอื่นมาเป็นเราอย่างนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของใครรู้ป่ะของพ่อของแม่เขามาจากไหนล่ะของแม่ของพ่อของแม่ให้มาไม่ใช่เลยเป็นของขวัญน่ะแล้วก็ไปคิดว่าเป็นของเราเป็นของขวัญเป็นตัวเราขึ้นมาเราเป็นวิญญาณที่มาไม่มีร่างกายมารอรับร่างกายจากพ่อแม่เนี่นี่คือสักกายะทิฏฐิ แก้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใหร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายปล่อยมันไปเลยห้ามมันไม่ได้ห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มันแก่ได้เปล่้เวลามันจะตายห้ามมันได้เวลามันจะเจ็บห้ามมันได้เปเราต้องมาสอนใจให้หยุดอย่าไปอยากอย่าไปห้ามมันเพระอยากแล้วมันจะทุกข์ พอเห็นด้วยเห็นพอหยุดมันได้ป้า ก, ก็จะรู้ว่าอ๋อเราหายหลงแล้วเราไม่หลงกับร่างกายแล้วเราปล่อยร่างกายได้แล้วร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปไม่ต้องย้อมผมไม่ต้องไปทําผิวไม่ต้องไปทําอะไรต่างๆร่างกายเจ็บรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปร่างกายตายถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้ก็ปว่อยมันตายแต่ใจเราจะไม่ฝืนไม่ฝืนความจริง อันนี้ก็ละล ะ, ละสักระยาทิ่ถิดได้พอละได้ละใจเราจะเบาออเบาใจไม่พอไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่แล้วสบายจะตายอันนี้ถึียงแต่คิดถึงมันก็ไม่สบายใจนะยังไม่ทันเป็นเลยเพียงแต่คิดก็ก็ไม่สบายใจแล้วแล้วเวลาเป็นจริงๆเนี่ยมันจะขนาดไหนแต่ถ้าเรารู้ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะสบายเลยเห็นไหมเห็นคนอื่นท้างแก่เราเป็นอะไรนหะมเรารู้สึกเดือดร้อนไะมไม่นั่นแหละสิ แล้วทำไมเห็นอันนี้เดือดร้อนคิดว่าเป็นร่างกายเราต่อไปอย่าไปคิดว่าเป็นเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นตุ๊กาตาพ่อแม่ซื้อตุ๊กาตามาให้เราเล่นแต่ตุ๊กาตาตัวนี้ต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันรู้ความจริงก็จะละศักดิ์ศรีที่ถือได้แล้วอีกอกสองข้อครับอาจารข้อที่สองความสงสัยในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ก็จะหายไปเพราะว่าเราเอาคาําสอนพระเจ้ามาใช้ ดับความทุกข์ได้เราก็จะรู้ว่าคําสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องมีจริงพระสงฆ์คือคนที่คนที่เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาใช้ดับความทุกข์ก็มีจริงก็จะไม่สงสัยว่าพระพูดก็ทําพระสงฆ์มีหรือเ่าไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องไปดูว่ามีจริงหรือเปล่ามันมีจริงจากการปฏิบัติของเราเนี่ยรู้จริงว่าการดับทุกข์ของเรานี้ดับทุกข์เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุะเจ้าคนที่สอนก็ต้องมีจริงก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่ต้องไปหาหมอดูข้อที่สามคือทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจเพราะเราจะเห็นว่าความไม่สบายใจต่างๆของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอร่างกายไม่สบายเข้าไปหาหมอดูแลทำวิธีสะเดาะเคราะห์ทั้ง ไ, ไม่ถึงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทำไงมันก็ไม่หายความทุกข์มันอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราไม่ไม่มีความอยากไม่เจ็บแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆนีน่สามข้อนี้แล้วเราจะรู้ว่าการการ การที่เราจะทุกขหรือไม่ทุกนี้อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทําบาปเราจะทุกถ้าเราไม่ทําบาปเราจะไม่ทุกเราก็จะต่อไปก็จะรักษาสี่ห้าได้อย่างสมบูรณ์จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดจะไม่เอาการทําบาปมาแก้ความทุกข์ใจเป็นใครทําให้เราโกรธไปฆ่าเขาแล้วเราคิดว่าความความทุกข์ใจเราจะหายไปเวลาใครทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคือ้องฆ่ามันเราจะได้หายโกรธแค้นโกรธเคือง ฆ่ามาแล้วเราต้องไปติดคุกติดตารางหรือถ้าไม่ติดคุกติดตารางตายไปต้องไปใช้กรรมในอาบาัยฆ่าเขาแล้วใจเราสบายไหมเวลาไปฆ่าคนนั้นเนี mm ่ย hmm. กินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลัว mm hmm. ต้องคอยหลบคอยซ่อนนะเร mm hmm. งจะรู้ว่าการทําบาปไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราทุกข์ใจให้เราไปหยุดความอยากอ ย, ากอยาก่าไปอย่าไปฆ่าอย่าไปทําบาปเพื่อให้หยุดความทุกข์ใจ หมดได้ยังมีอยู่คำถามาาต่อไปจากคุณสุริพรครับกราเเรียนถามเวลาป่วยควรปฏิบัติอย่างไรปวดท้องมากขั้นที่หนึ่งก็คือรักษาได้ก็รักษาไปมียายก็กินไปมีหมอก็ไปหาเมื่อทำข้านี้แล้วมันยังไม่หายก็ต้องทำใจก็ต้องทำใจเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากยิ่งทุกข์ ก็ทํใจไปว่าเดี๋ยวมันจะหายก็หาย เ, เวลาไม่สบายมันก็มีอยู่สองฐานหายหรือไม่หายถ้าหายก็ไม่มีปัญหาอะไรไถ้าไม่หายก็ตายคำถามต่อไปจากคุณวราครับเมื่อพิจพเมื่อเราพิจารณาฐานธาตุสี่ขันธ์ห้า 5, จิตได้แต่คิดพิจารณาอยู่อย่างนั้น ไม่เป็นอันทำอะไรเลยครับใครพูดใครทำอะไรได้แต่รู้แล้วก็ปล่อยไปมีแต่ตัวรู้เหมือนอัตโนมัติเราจะทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตกับผู้คนได้โดยไม่เพิกเฉยครับก็ใช้ด้วยเหตุผลสินีเวลาต้องทำอะไรก็ทำเขาถามอะไรก็ตอบไปไม่ใช่ว่าเฉยไปหมดทุกอย่างคาว่าเฉยนี่ให้เฉยทา ง, ลลงอารมณ์เพราะยังคือไม่มีความรักชังกลงัวหลงใครก็พูดอะไรก็ไม่ดีใจไม่เสียใจ ทางอารมณ์แต่ก็ตอบได้เขาถามอะไรก็ตอบได้เขาพูดไม่ดีเขาดูถูกดูแคลนเราก็ยังพูดกับเขาดีๆได้อยูาก็ถามอะไรก็ตอบเข้าไปถ้าไม่อยากจะตอบก็ไม่ต้องตอบไอ้ที่ให้เฉยนี่เฉยทางอารมณ์นอย่าไปมีอารมณ์กับใครเขาพูดอะไรเขาทาอะไรให้เราเฉยๆอย่าไปโกรธอย่าไปรักอย่าไปชทำอย่าไปกลัวอย่าไปหลงนี่คือคนที่มีความเฉยๆแบบนี้ ไม่ได้เฉยแบบเฉยม เ, เมยเยมยไม่ทําอะไรเลยอยู่กับใครไม่ได้นี่ไม่ใช่คําถามต่อไปจากคุณชัยครับฝันถึงพระอาจารย์สุชาติว่าสนธนาทำด้วยมีผลอะไรไหมครับก็มีผลว่าคิดถึงเราบ่อยๆนะแล้วนอนลหลับมันก็ฝันถึงเรานะคําถามต่อไปจากคุณกมนครับเคยได้รับทุกขเวทนามากเกือบตายเนื่องจากแพ้ยา ทุกเวทนามากกำหนดลมหายใจไม่ได้เลยกำหนดได้พุทธรักษาทำมังรักษาสังคงรักษาพระพุทธเจ้าช่วยดูกด้วยสวดมนต์บ้างอะไรเรื่อยไปเลยขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หากเกิดกรณีฉุกเฉินใกล้ตายได้รับทุกขเวทนามจะวางจิตอย่างไรดีคะก็นี่หละวางเฉยๆไปปล่อยมันไปอย่าไปอยากให้มันหายมันจะเป็นอย่างก็ปล่อยมันเป็นไปเหมือนฝนจะตกเนี่ย ผนตงอย่าไปภาวนาขออย่าตกเลยอย่าตกก็ตกอยู่กับมันไปอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากความอยากไม่ตายจะทำให้เราทุกข์ความอยากทาให้เจ็บมันจะทำให้เราทุกข์ถ้ามันเจ็บก็อยู่กับความเจ็บไปถ้าตายก็อยู่ความตายไปเราจะไม่ทุกข์กับมันคำถามต่อไปจากทางยูทูบคับจากคุณไอซ์เบอรี่ครับ หลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจําเป็นไหมคะที่ควรได้ฌานสี่เพ well, ื่อให้จิตรวมสงบก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาทางปัญญาก็จําเป็นไหมเวลาจะไปทํางานเนี่ยถ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักผ่อนหลับนอนแล้วไปทํางานไหวไหมอ่าก็ต้องพักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมากินข้าวก่อนแล้วก็ไปทํางานใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันการเข้าสมาธิเข้าฌานสี่ก็เป็นเหมือนกับการไปพักผ่อนหลับนอนไปกินข้าวเพื่อใจจะได้มีกําลัง ออกมาแล้วจะได้ไปทางปัญญาได้ถ้าไม่ใช่นั้นมันหิวมันจะไปหาลูกเสียงกลิ่นรน้นแทนมันจะคิดแต่หาราบยศละเสริญหารลูกเสียงกลิ่นโนมันจะไม่คิดถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่คิดถึงอสุภะอสุภังใช่ไหพวกเราเคยคิดถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหร้อเป่าไม่คิดแต่ราบยศเงินหาเงินอยู่ที่ไหน ที่เที่ยวเที่ยวที่ไหนดีที่ยกินกินไหนดีเนี่ยมันหิวอยู่ตลอดเวลาใจเพราะมันไม่ได้อะใจมันไม่เคยได้อาหารเนี่ยใจว่าร่างกายมันได้แต่อาหารเน่ร่างกายร่างกายเป็นตุ่มเลยแต่ใจหิวอ่านั่นแหะร้านไหนอร่อยเนี่ยเพราะใจมันไม่มีสมาธิถ้าใจมีสมาธิแล้วมันอิ่มมันจะไม่หิวกับลาบยศสันเสริมไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นนนมันก็จะมาคิดทางปัญญาได้ เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อขอให้ท่านทงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพเจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสาธุ